เพระนั้ตงองค์เห็นอุปนิสัยของท่านเวลาโปธิรัตท้าทระโปธิรัตเข้ามากราบท่านก็บอกว่าโปธิรัตโปธิรัตแปลในความหมายก็ว่าท่านใบาลานเปล่าใบาลานเปล่าเปล่ า, ลาไม่ใบาลานไม่มีหนังสืออย่างนั้นอ่ะใบลานเปล่าโปธิรัตโปธิรัตใบาลานเปล่าพอเข้าไปกราบทีไรกราบพระพุพธทธเจ้าทีไร พ, พกกระพุทธเจ้าก็ทักอย่างนั้น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 สอนธรรมะไม่เข้าเพราะมันปิดหมดแล้วในใจเน่พราะนั้นเนยนน้อยไม่ใช่ธรรมดานะเนยนน้อยพระหารจากนั้นก็พอเข้าป่าเสร็จเรียบร้อยลงน้ำเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ทำตามหมดละ่ปะป่ะอาจารย์ไปก็ไปนั่งอยู่ที่หนึ่งที่เป็นที่สบายเนยนน้อยก็ทำอธิบายธรรมะอะไรสิอาจารย์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 เสนาศนะสัปปายะถ้าเป็นพระสงฆ์นะคือว่าหาเสนาสนะที่จะปฏิบัติน่ต้องเป็นที่สงบพอสมควรก็ไม่ถึงกับว่าสงบจนเงียบป่ารงพงไพจนค่อยปฏิบัติก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราจะนั่งอยู่ในรถในราเราจะไปที่ไหนก็ตามแต่เป็นมุมที่สงบพอสมควรไม่ใช่วันเสียงดนตรีหมอลำขับร้องแสบแก้วหูจัแจจะไปนั่งภาวนา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 ต่อไปแล้วไม่จำเป็นแต่เมื่อเรานั่งรู้แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งนาฬิกาเพราะว่าเรานั่งภาวนาเราไม่ใช่นั่งเอาไวล่ํมเวลาเรานั่งเพื่อทาให้จิตใจของเราสงบนั่งสมควรแล้วก็เป็นอวลนั น, น, ก, นออก็ถอดออกถอนออกจากสมาธินี่แหละการปฏิบัติ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 ผู้ใดก็ตามเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมชื่อตรงที่สุดเนี่ยผู้ที่หมดกิเลสแล้วถ้าว่ายังมีกิเลสอะไรอย่อางอติสีมันต้องมีนะไม่มากก็ต้องน้อยหละว่าวงั้นเถอฉชั้นทาติโทสากติโมหากติพยาคติรักเพราะเหตุไรพยาคติกับพอกโทสากติ